หนือลมองดูตัวเศร้าหมองทนทุกตายบังแต่เราตายไม่มีใครอยากมองใจไม่บอกหวังจะได้เมียสองจึงมาครองเอา โูใหดี ยังมาคอยกันเขาดูสิเราเพราะเินเมียเขาจึงมาเป็นเช่น ไปให้หมดลองสักทีเล็กน่